ทั้งใจที่จะรับสิ่งนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนไดน้นอกจากเรื่องของนมามธรรมให้แกความดีงามนั่นแต่จเจ้าอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใยความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างรวงมนั้นหมดที่เป็นตัวไปต่อติดใจทั้งนั้นนั่นเองพอดีศาสนาก็ดีถ้าให้มันเจริญเจ ร, ริญอะไรถ้ามันมีทํามเขาเครือบแสงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้ มันมีทำเข้าไปมากน้อยก่อความสงบสุขความเย็นเย็นมันก็มีถ้าทํานี้เป็นกลางเสียใจมองดูท่านหรืเราสม่ำเสมอเพราะมาเป็นคนด้วยกันเทียบเพียมกันได้ทุกสัตวทุกส่วนมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์น้องเคเห็นใจกันคนเราความไม่ตายสงสารกันกันได้ถ้ามีทำถ้ามีทำทุกอย่างเดียวเท่านั้น อะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเลวยิ่งกว่าอะไรเศรษส์สังเมาอารมณเกี่ยวของว่าดีคณะเด็กเหมือนรับามดีเป็นของสำคัญมากความีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้พุทธเจ้าที่นั้นหาทำไม่ได้มนีแต่โลก่นล้วนมันก็จะกองไฟล้วนเผาไป พระพุทธเจ้าหรือนักปาชญ์ทั้งหลายไม่ว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่ดึกดำบรรพ์การในนัยมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยเที่อกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีมีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะยืดแยบคอบควรัวบีบังคับติตาจให้เกิดความเดือดด้วยวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดนี่ ไม่มีอะไรเป็นของดีใครจะไปตลาดแล้ยผมนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ไหนมาจับก็จับแบบเดียวกันตำแหน่งสิ่งที่ควรตำแหน่งชมสิ่งที่ควรชมให้รักสิ่งที่ควรให้รักบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจขอัตนเอง ให้อยู่กับโลกไปได้โดยลําดับแม้จะไม่สิ้สนสิ้นสิ่งนี้ภายในจิตใจโดยสิ่นเชิงก็พอระงับดับกันได้พออยู่พอเป็นต่อไปพอหยุดระงับดับไปหมดไม่มีสิงในเหลือภายในไปเลยแล้วมันก็ให้คือให้นา้ำพุน้ำกระสุดถ้าไม่มีอะไรกวนใจถึงควรใจคืออะไรถ้าไม่ได้เยอะมีจะ่เยอะทั้งนั้นประเภทต่างๆ แต่ติีแต่ขแขนออกมาจากหลักเงาข้ามูลข่าววิชาปัญหานั้นออกมาก็า้วแตกแขนงไปเรื่อยแสดงทิยาอาการอะไรออกมาย่อนยะตั้งแต่เป็นสิ่งที่รักกันมันเข้ามารรชาออกมาจากที่เหลือแต่และประเภทประเภทมันต้องหมุนเย็นในทิยาท่าทางเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นันที่เหล็กมันเดือดร้อนสัวนทรรมแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็น สแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื Cola, beauty, details, ่องสอแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย right. ็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเรื่องเย็นใจจึงธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญที่ให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตพนอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติทพิโลกไม่สูญนิ่ไปไม่ดับธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีมาแต่ไหนแตได้ แต่คนมีความฉลาดบางโง่บางสูงต่ำต่ไม่ยุ่มกันได้จึงทำเป็นกากฏเป็นข้าเป็นข่าวการทำเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมได้จากการค้นคว้าเจอความจิงขึ้นมาทำของจริงขึ้นมาและนามาส่งโลกอ่านแล้ว ทุบค่ายลงไปทุบ hmm. พ่อยลงไปเพราะอำนาจของของกิเลสปัญหาสวะสต่างๆมันมีแรงล้อมหาไปทั้งสามให้ลืมสิ่ลืมทำไปเสียเมื่อลืมศิ่ลืมทำเมื่อไรแล้วกิเลสก็ตักตวเอาตามความต้องการของมันทีอาการที่แสดงออกของสาโลกจึงหาควาร่วมดยนเป็นสุนไม่ได้มันเปเรื่องเบความเดือดร้อนรืนวให้ตัวกัน การกุดค้มครองโลกเป็นอย่างนั้นเดินเข้ามาถึงตัวของเราเองขณะใดาที่จิตใจให้เราดีมีความสงบร่มเย็นมีความเยียบคลายทางจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่งหน่ก็เย็นสบายเพราะความคุ่งครองใจขณะใดที่มีความทั้งเผลอเลิกประกอบกิจการงานอื่นๆซึ่งเป็นเครื่องรบควนทางด้านทิ่ตัดไฟงานหรือเป็นสินน่งทำลายจิตใจงานให้เสียไปวันและแต่น้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสึงนี้เป็นความกังวลนั่นแหละ จิตเริ่มขวาตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดีเหงือร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนทั้งห้ามทั้งแนจิตการงานใดที่เป็นค่าศุดต่อจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังเช่นภูผู้ขักอบรมภาวนายังไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เป็นวัด ที่ทำกลังซ่อมแซมไม่กําลังก่อสร้างอย่าชอบทนนานั้นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไป อ, อยู่ในสถานที่ที่ผู้คนต่อแฉอมาหาอยู่ที่เกียกเปียกหาอยู่ที่สงบร่มเย็นถือหน้าที่คือการที่จะพัฒนาเป็นงานอันสาระสําคัญประจําชีวิตประจำอายุยาบทของตนตลอดไปช่วงสองวันนั้น เพราะนั้นข้าพเจ้าจึงตักตวงเอาแต่มรดมนิทานาหรือตลอดทั่วแดนทุตจักรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและภาษาเพื่อประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดประชาชนจะมีความเชื่อความสสในระดับหลัฟังรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าและภาษาวอกจิตย่แจง้งออกให้หลักความติงถามโดยเห็นเหตุผล็นผลหรือแสงตาสว่า นอกจากนั้นยังมีบรร้มุมรรคผลนิพพานเป็นจานวนมากมาคือเอาจริงเอาจริงความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจความไม่จริงจังในทางดแีแต่จริงจังในทางเชื่อก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันถึงผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้ของรู้อยู่สมอ ภา จ, จิตใจเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แสดงมาทางากายยังทุกข์กแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นในจีระกิยแห่งความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนเราเป็นนักปฏิบัติต้องสนใในหน้าที่การงนานทั้งตนที่ทําอยู่นให้เป็นเม็ดเป็นหนวยอยาอ่อนข้อย่อย่อ ผ่อนแอะในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบรบกับเอะกับอะไรก็รบกับค่าสุดของเรานั่นแหละค่าสุดของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนค่าสุดก็คือที่เรกประเภทต่างๆมีภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เต็มเม็ดเป็นหน่วยส่งเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำดับเพื่อจะกําจัด สิ่งที่เป็นท่าเสริฐทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่ให้มีสิ่งใดเหลือาภายในจิตใจมันเป็นเอการาชอตาเฮียริกังเสียอยอจิชนะตนได้ทั้งแต่พระสัตย์ธรรมวังนั้นชณะตนก็คือชนะที่เล็ก้าเสริฐที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองจะเป็นณะที่ไหนท้าเสึิอยูที่นี่แค่กับแพ่มันหลุดลอยอยู่ที่นี่ตลอดมาอนี้เราจะไม่ให้แ้ ตั้งนาตั้งตารกเป็นกับตายก็โู้มันเราให้เาชยชนะภายในจิตใจเรียนวัตรจักปล่อยเรียนที่จิตนี่เองความหมุนเย็นของจิตจิตมันเกิดมันตายมันสูญมันดืมันสู ญ, ม, ม, สญมันไปพบไดพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่นดอนถนนสัมภเวสีพวกสอบแข่งฮัเกิดก็มแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายข่านหลายผู้นับไม่ถ้วน ฐานที่สัตจะเกิดกำเนิดที่จัดจะอุบัติมีอยู่มากมายหาย ก, กอง น, นีเป็นความจริงแต่จะเกิดใ น, นสถ า, านที่ใดพบแต่ต่างไม่นอกเหนือไปจากสิต ด, ดวงนี้ที่มีอวิชาเป็นเชื้อและยิบากกรรมดีชั่วเป็นเรื่องติดตามอยู่ภายในจิใจสัรโรคจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตอนทุกตัวสัตว์ไม่มีกับโลก รายใดที่จะไปเกิดเราได้ตามความต้องการของตนต้องตก อ, อยู่ในอำ น, นาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมิวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้สวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้เกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วได้สวยสุขสวยทุกอำนาจศักดิ์กรรมดีชั่วของตนหนึ่งน <c oughs> <c oughs> ี้ทายจะมีนนอำ น, นาจพอที่จะบังคับบรรชาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว ไปเกิดเดินพังคนอื่นได้ท่านไปได้การถูกจองจาไปเพราะอำาแห่งกรรมนั่นมันขึ้กันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำาะมันไม่ได้ขึ้นกันเด๋อเราต้องคิดจุดเหล่านี้ขมาเพื่อเที่ยงเพื่อจะเห็นเหตุเห็นผลนห้นโทษเห็นผลกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้ทุ่มความท่าเทียมลงให้เก็นแม่กันวันนี้อยู่นะ ทางเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ว่าที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ๆอย่างการพาให้เกิดให้ตายอยู่ในจิตมันถอยแม้จะจําหน้าไม่ได้ในพระธาตของตนก็าตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดชัดโดยทางคิดต่อภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเก็หลายยิ่งรู้ได้ชัด่านโดยลําดับ ท้าเที่จะพาให้เกิดเกิดพบใดพบสูงพบต่ํามันก็บอกอุูภายในจิตมีความละเอียดละออเพียงไรจะปรากดในพบอันละเอียดก็ทราบอ ย, ย, ยู่ในจิตนี่เลยพระพุทธเจ้าท่านนําเรื่องความเกิดความตายของวัฏสงสารมาสั่งสอนสาโลกท่านทรงเรียนมาจากหนึ่งในปฏิบัติจงรู้ในพระไตรปิฎกได้จนเม็ดจนหน่วยแล้วจึง น, นํามาสอนโลก เระฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสวนขคาโตพระกระตาธรรมงจัดไว้แล้วโดยชอบทำไม่มีอะไรขีเพียนไปแม่แต่น้อนสอนตามหลักความจริงเราเป็นนักเกิดแจกจิตตาด้วยกันทุกรายทาไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืดนิดปิดตามันมีอยู่ภายในใจิตใจมันติดไว้แม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความท่งเพียนทับจิตตาภาวนา มันรู้จีนเห็นจีนจับนักโทษตัวพาให้เกิดร่างกายให้ล่างอะไรนักโทษเนี่ยมันหน้าจีนนี่อวิชาปฎิยาสร้างฆ่าลาสร้างฆ่าลาปฎิยาวิญาณนั่นแหลมภาเอวิชาเป็นเชื้ออันสาคัญพาให้ก่อกําเนิดเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือบากกรรมมันก็อยู่ใวัตถุบนสามนั้นเห็นไปที่ไหนที่เลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเนี่ยท่านกระบอกคําว่ากรรม กรมีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลกรรมรย่อมเกิดขึ้เนเมต谛เดชเป็นเหตุและกรรมกรรมคำว่าเมต谛ดหมายถึงอะไรถ้าไหมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสําคัญพาให้จัตทํากรรมบางคับให้สัตว์ทำกรรมเมื่อทํากรรมแล้วคววิบากก็คือต้องได้รับผลของกรรมและโลกเวียนเปลี่ยนแปลงกันต ป, ปมาอย่างนี้ทันเดียวกับวัดตะวันสามวนไปวนมาเหมือนกับ ม ด, ดุดตายขอบด้งนั่นเองตายไปตายไปแล้วก็ไปถึงกี่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นขี้เก่าขี้ใหม่ตายวนไปอยู่นะ่ะมดตายขอบด้งเป็นอย่างนั้นอันมีลเราตายขอบแห็นว่าจับจักมันว่าจะจับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทชาเคยเกิดมาสีพส่พวกรสชาติก็ไม่ราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะชาได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นชาไม่ได้เพียงเราไปเรียน เอาเฉยๆตามตำดับรรมาจบพระกลายไปดกมาก็แบบความรูส้สหยมาเต็มพุงนั่นแหละไม่โดนแบบความรู้แจ้งของจริงมาถ้าไม่ใช่ประพฤติทางประพฤตปฏิบัติพระ พ, ระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้ดโดยการปฏิบัติไม่ใช่รู้โดยการเรียนจดจำหรือเปล่เพราะความจํากับความจริงมันติดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกันความจํามันมีกระหลอกเราต้องรับหนึ่งเราลอ ง, ลงพูดกันโดยนี้ว่า เมืองนั้นบ้านนั้นเห็นะ <c oughs> เนมื่ออังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยเคยเห็นืออังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะวาดภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทาันทีนั่นความสําคัญตันงหมายคำรุนเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษจะจริงๆแล้วเภาพเป็นยังไงไงความวาดภาพขึ้่งจำได้หมายรู้อะไรเนละ่านั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นไม่ตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความตรอมันต้องล่มไปหมด ซึ่งความวา่าดภาพไว้นะั่นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลอมมันยังไม่จริงเมื่อเาปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจําทั้งหลายนั้นมันก็ล่มละลายไปร่วมละลายไปนี่แต่ความจึงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนีง้จิตมันเดี่ยวโยงไปถึงไหนรอบโลกกระทามันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ําหาสมุดยังมีขอบมีฝั่งมีแดน เรื่องของจิตมันมีขอบมีเสียดที่ไหนมันไปได้รอบเสดจักรวาลทั่วโลกตลอดทั้สงสามประธานจริงตํมวนมาด้วยสีสมาธิปัญญาสัทธาความเพียรฮัลส่วนจะเข้าถึงตัวจริงของจิตแค่คืออะไรปีเลตสัญหาอาสวะมันพอกพูนพันาใจถ้าพาเปิดผ่าตายเพื่อมันออกดืวยความเพียรของตอ น, นแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างไปความรู้กับสว่างสไตรยยอมรู้ ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆเนี่ยมันรู้แล้วอืมนี่ยังมีเชื่อที่พบอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเชื่อทอี่พบคือหาเข้ามาที่จะทาให้เกิดอีกนั่นแหะมันมียังมีในจิตแม้แต่ยังจะไม่ไปเกิดในภูมิต่างๆเหมือนยักษ์ทั้งหลายเกิดกันก็นตามก็ทราบดีว่ามันจะเกิดเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดโู้ก็เชื้ออันนี้มีความละเอียดไปโดยลำดับถึงกระทั่งตัด ออกจากจิตใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วขาดสะบัน้นอนปัจจันทร์ยดไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใดโยเป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมชาติแม้ที่สุดรูปเวทนาทัญญยาทั้งขามียั ญ, ญ, ญที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกันกบจิตจิตไม่ได้ถึงค่าถึงนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตไม่รับความวากระทบกระเทืนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ ขันเป็นขันรูปเวียณาสัญญาสังขารยินยานแต่ละอ ย, อย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาตของเขาตามสมมติข อ, องเขาอ <c oughs> ตัดตัดอ้กมาจากผู้เสียงกลิ่นนสงเครื่องสัมผัสวัตถุกอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำนกำล <c oughs> ับงในขันนั้นงจะของกองวู้นี้เป็นต้น ดินธาตุดินน้ำลมไปมาเศษสันเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นนีน้เป็นชายหลงกันยุ่งกันไปหมดผิวหนังบางๆนั้นแะปิดตามันก็บรุดตาฟ้าของมืดบอดแมองไม่เห็นปัญญาแทงทะละเข้าไปมันถึงความจริงของหลังความจริงขั้นหนึ่งก็เต็มไปด้วยความปฏิคูณโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นโทรศัพท์เนี่ยโรทรศัพท์แล้วมันจะไปถือได้เลยไหม แต่รกประชังมันได้ยังไงมันจับแต่ว่าท่าพอถึงขั้นนี้แล้วมันทัดเจินก็ปล่อยขึ้นมาถึงพรเวทนาสัญญาสึงขายยืนยามก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึงยังดับกันหน้าจึงถอนตัวได้ไม่ยึดสิ่งอย่างนี้ด้วยพันดาของตนเองการตัดทบตัดภ่าต้องสัด ความเยื่อใยต้องตัดความผูกพันของตัวเองของติดเอร์ร่วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจทางทลายวิชาครันภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี้ใจเหล่านั้นจะเอะไรมาเกิดเชื่อควิชานั้นทำลายแล้วถ้าเป็นข้าวก็เหมือนข้าวสุกโหมให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะปลูกที่ไห น, นมันจะเกิดละ่ะ มันควรจะการนับทานเท่านั้นไม่ควรจะการเกิด อ, อิจด้แล้วเอิจนี้ก็ควรจากความสวยทเป็นมิมุติสุขความเลวสุขหมดจดเท่านั้นไม่ควรจากการเกิด อ, อีกต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตยังมีนั่งปูนไวนยยน้นัน้นอนิสสพยาสุก็ดียนะตะนสุก็ดีในธรรมจั ก, กรตอสุก็ดี mm. อนัตถิดา น, นิพุระโภมันงแต่บัด น, นี้ต่อไปพวก ของเราไม่มีอีกแล้ว น, นี่ระยะระะมันจะมาชาติดท่านนี้เป็นชาติตุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าสแสดงมาทางฝ่ายสงนาวโลกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงหรื อ, อ, อท่านสแสดงไว้ใน อ, อ, นาาา ร, อ, อ ร, ริยัจจัอนัตตาอนัตตสุบอ่อุที่ตั้งพระมะดียัง งานของคือการรื้อถอนพิเดศทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญดาหลงอย่างเต็มที่กําลังวางชาพิจิตใจต้องทุ่มเทลงเพืบองานนี้งานนี้ได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็คือว่าได้ฆ่าพิเดศนาดไปหมดไม่มีพิเดศตัวใดเหลือแล้วผู้ศรทธาทำมาจารย์รือยางกระตังการณียาจิตที่กวรทำจิตที่ควรทําได้เลย การละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มที่ถึงขัง้นสมบูรณ์แล้วการนับพลังอิสตญาติยิ่อื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มี <c oughs> ประชานาติดหวง <c oughs> คงรู้ชอบแทนต่นนะ <c oughs> นั้นเกิดถึงมือต้นนีมุตจะ ม, มีตมิ ญ, ญานางห่เติดต่างมาสิริฟ <c oughs> ้นแล้ว ายานความวิจัยชัยดว่าจิตหลุดนแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันน่นมีหลังงานของพระในค้างพิธการท่านสําเร็จงานท่านทํางานท่านสําเร็จท่านทํางานท่านเสร็จท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคือ ง, งานที่จะมาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรกสองสามชิ้นสี่ห้าชิ้นแรกขึ้นไปหานงานจํานวนมาก เจสีเจสาลลมาหนะะ้ขาตันตาตัดโตนีน่ะนะงานแต่ละชิ้นและชิ้นแต่และอย่างให้เราไปทําไปทํายังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมพรนาในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปจำความจริงของมันเจถามไปยังไงโลมาเป็นยังไงหนัาขาต่างนตะโจเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหม ดูเข้าไปดึงไปตะโจหมาจมันหนังมุ่มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่ผิวหนังก็หลงกันโดนทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลำดับกำลังเห็นตามความจริงนี่เรียกว่าทํางานคือทํางานที่จกำลังเริ่มตั้งแต่ทํางานบริกรรมเหมือนกับสับยําอะไรจับจบจับจเหมือนเขายําลาบนี่ย พุทโุทโหรือเจราสาวเ้าสารมานะมาเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียวให้มีกำลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกำลังเส้นยากไม่น้อยก็ตามเมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดตาดก็ต้องหลายหัวถึงจะขาดแต่ยังเส้นเดยาวดึงขาดตัเ่านั้น พลังของจิตถาลายบาไปสู่ที่อ่ารหากําลังไม่น่าต้องร่วมพลังเข้ามาด้วยคาบริกรรมภาวนาเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสงบเย็นใจอย่างนี้นพิจารณาทางด้านทางแบบจะเมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทําการทํางา น, ท, งา น, ท, งานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งนึ่งจริงโดยทางปัญญามันก็นทํางานให้ เพิ่เข้าใจไปเดินหนักเยาสาลงมารังขาอันตาตัดโจเพียงเท่านั้นก็ต่าง ม, มันจะกระจายทไงหมดจนกรทังอาการ32ซึ่งมีอยู่ในตัวนี้นราบไปหมดนอกจากนั้นยังทะุ ป, ปุ่งกันหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกกับถานี้เป็นแบบเดียวกันหมดน่ะนี่ทำงานของพระสอนนิพพานมันเป็นขั้นปัญญาคลี่คลายออกตูดังนั้นก็แยกกันไปละเอียดดังที่พูดถึงเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณมันละเอียด เมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเนี่ยมันก็ตามกันทัเดิมนะจนกระทั่งมันละกันได้เด็ดขาดรวมทั้งภายในจิตด้วยละเข้าไปถึงจิตแล้วมันหมดทางที่จะละตามข่าวิเลศตาม่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ข้านิเลศก็หมดไปเองถ้าข่าอยู่เพียงอย่างนี้ไม่หมดอืข่าวิเลศทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดอืม ต้องฆ่าทางใจอีกค่ากิเลสที่มันไปติดประยึดมั่งถึงมั่นในรูปเวทน า, าสัญธะพังธาขนิญญาณเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวการารักขันธ์นั้นอีกมันเป็นจะหมดมาถึงขนาดนั้นแล้วค่อยก็เลยวุ่นวิตตามกรรมใจยอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เป็นอนันเสร็จเรียบรแล้วนี่ละงานของฆ่าเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างเรือยยาเด วันเลยทะเลถลายแต่หางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาทำจะหาสียเล็กตัวใดหลุด้ อ, อยไปนั้นได้นอกจากงานพิตรพรารณาธรามดังที่ธิบายให้ฟังนี้แล้วถ้ามีงานอื่นใดประเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะแต่ยากเพื่อคุณภาพที่สูงส่งหรือสูงสุดกัรพัฒนาต่งาตงๆที่เบิ อย่าลดละพอถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูวาการเป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในธรรมการแห่งโลกอนิจจ์เป็นของเที่ยงเมื่อไรอยู่ด้กันวันนี้วันหน้าพรฒนาสาการเดือนนี้เดือนหน้าพัฒนาสกากันไม่ท่านก็เราต้องมีควารพัฒน า, าหลักไปหลักคติเครื่องเกินใจที่ได้รับไม่แล้วภ า, ายนจิตใจอย่ากสังเกนี้ไม่ให้เื่อนค่ะไปไหนจริงจังกับอัตกับทม ก, กับวิ น, นัย มีความจริงจังจาเป็นคนหลอกแหลยทะเลถลายหากฎดคะเกินหาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงางานจะหนาแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทางนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่ า, า, า, ว า, ากัานแล้วศรัท ธ, ธาความเชื่อต่อความทุกข์ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความบรรลุธรรมของเราความทุกข์ธรรมของเราท่าความเพียรของเราเอง เมื่อรวมกันแล้วก็เป like ็นกำลังสัทธาเนี่ยเป็นะขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมาเองไม่พ้นจากนี้ไปอย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเฮียยิ้มแต่ไม่โพยยิ้มตั้งแต่ขาวพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนในทั้นพิจารณาองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นบรรลุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบ่นมา จำอยู่ตาเปียกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เด็กมันนอนกลอนคราบคราบสบายหัวเลาะฟังอยู่ท่นมันไม่จะเตือนขนมันนะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติปริยัติคือเราเรียนเจรสระดูมานขาท่านาแต่โจนี้เรียกว่าเรียนอาจจะว่าฝ่ยายยัดกอุปอ่ปราแล้วหมากขนานี้ปฏิบัติทีนี้เอาไปดําเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวสคือความรู้แจ้แงแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้จากนี้ไปไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจอำนาจทีศัพท์มาบังคับจิตใจที่ดำเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นแต่ไม่ได้เรามีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสสมุทยัยทุกข์นี้เนั้นปิดกัน้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมาปุรนิพันอยู่ให้เยี่ยนโลงประเดยลำดัแบบความทะลุปูโผล่งถึงนักปุรนิพันจะไม่ถึงไหนจะไปจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นภู้ละผู้ถอนผู้หยาบย่ำทําลายพิเดชนะจะรู้ถึงความปราเสริฐ<อ>เลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้รู้ที่ตรงนี้ขอทำงานให้สําเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลําดับผมอยากให้หมู่เพื่อนในรู้ได้เห็นพยายามสอนเติมสกํงงาลังความสามารถเรื่อยมา การสอนทั้งมวลก่อนแน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดําเนินก็ได้ดําเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายัางไงก็ได้พูดให้ฟังเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้ดือกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวมันอยู่นิดมันก็วนอยู่นั่นเแนบบีะยนี่แหละ มันมีม้ามันก็เอาให้มื่อยตื่นไปเลยมองเห็นทําเหมือนก็เป็นค่าสุดใหญ่หนึ่งเอคิดไปในแง่ธรรมะอย่างนี้เหมือนก็เป็นค่าสุดใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเนี่ยมันหนาแน่มนจริงมันเห็นธรรมะเป็นเป็นภัยไปเลยเป็นค่าสุดไปเลยงานอำนาจของที่เลยเวลาตากมันเข้ามาปากเข้าไปแล้วที่นี่ คุณข้างทําค่อยปรากฏขึ้นโทษของที่ค่อเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยไปนะเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่รู้ไอา้กิเลสเป็นอะไรตัว อ, อะไรทําไปยังไงก็ไม่รู้กิเลสเป็นงไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่ททมันกองอยู่หัวใจเราเนี่ยเทากันอยูไปถึงกองก็ว่าเป็นเราอยู่แนละ้นของเราคนะอยมันนั่งไปยิ่งร้อนสินี่ทำมานะผมเคยพูดมั้กี่ครั้งในความเพียรเป็นทําให้ขยะ ทุกวันนีงยึดย้อนหลังจากของที่ทํามานีออกบุษานว่าที่โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทําได้ว่านนเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงจริอะถึงเวลามันมันมันเด็ดนี่ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยนี่จะพุ่งเหมือนออกไงทะลุเสียไม่ทะลุตายก็ตายว่างั้นเลยเนี่ยเวลาเขาได้เขาเขียมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยกันนั่นแหละคนเรา ผูดนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบัติมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นของกิเลสที่เราจะต้องได้ต่อสู้กันมว้อย่างสลับเป็นสลัตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้อย่างนี้มันไมีหมุนเตี้ยวเลยทะลุจริงๆมารู้เรื่องปัญญาบ้างก็มาลุ้นตอนผมมาลู้นตอนสลับเป็นสลัตายนั่งหามุ่งหามคา จึงมาเลยเห็นคุณค่างปัญญาคนเรานี่รำจะตายจริงมันไม่มีพิพิธิมันอัตตาอิจฉาโถมันมาเองมานั่งคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อถึงข่าวจนกรอบจริงจินไม่หาผู้อื่นช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้พึ่งผู้ใดไม่ได้แล้วมันก็หมุนก็มาพึ่งตัวเองช่วยตัวเองนั่นนหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกขเวทนาเหมือนกองไฟเผาอยู่เดิมเป็นตัวสั่นเดิมเราจะมาทนสู้มันอยู่ที่ทนมันทุกข์หรือเฉยมันทนมันไม่ใช่ทาง ให้ทำไงมันถึงจะได้รู้แย่างจริงในเรื่ทุกท่านบอกทุกขังเดียวจังมันเป็นยังไงวะันปัญญามัหมุนติ้วตี้วออกไปสติปัญญาหมุนทุกมากเลยมันยิ่งไม่ถอยนั่นมันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ้วตี้วขอกไปตามเรื่องความทุกข์ทุกตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กําหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายนี่จะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจริงนั่นเองถราไม่ต่อมันก็รู้กันมาะง่ ทุกมันก็ดับมันไปเอ๋ไม่ต้องใบบังคับมันเพอม่เข้าใจแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถรับสารจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นไฟตั้งกองกันตามแต่จิตมันยิ้มเลยอย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเมื่อต่างกันต่างจริงเราเนี่ยมันเป็นอยู่สองสองอย่างสำหรับผมเองคือเป็นอยู่สองประเภทอย่างหนึ่งพอทุกดับไปด้วยการพิจารณารอบโดยทางปัญญาแล้วมันก็ดับไปหมดหรือดับไปทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ซ้าไปอยู่ไหน ไปยังไงก็ังกรวนกำมันทำใหม่เวลาหาของกินกินตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนี่ไม่เแต่ว่าโค้งกำมันละตอนนั้นเวลามันตลงเต็มที่อย่าไม่ไม่มีละเป็นไม้ภูเขาโลกสงสารมีหรือไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้แต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูกอัศจรรย์นี้อันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุงขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการควรอันนั้นให้กับเพื่อน แล้วก mm ็จะถอยออกมาเสียศักดิกแต่ว่าเท่านั้นทำไมถึงว่าอิการุปัจนาศักดิแต่ว่าจิตอติอติกิตตันติธรรลระราปนัสสัสติปจุปติตาโหติปจุัติตาโหติศักแต่ว่ารู้คือไม่เลยนั่นไม่มันไม่เคลื่อนจากนั้นไป อธิจิตติจิตหมายจะหาให้กําหนดให้ทําความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าข้อหมายอธิจิตติจิตบาปนาสัจสติปัจจุหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นอานมัตตะสติสติมัตตาปฏิสติมัตตาสักแต่ว่ารู้สติกจัดแต่ว่สติเวลาถึงขั้นแล้วจริงอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันเป็นไปโดยดับธรรมชาติของ ด้วยการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรขั้นอะไรเลยท่านบอกายมีอยู่นั่นหมายถิ่นฐานกหนดพิจารณากายนะครับกายมีอยู่ทีจิเวญนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เอานั้นเป็นหลักกําหนดคือมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่เห็นไม่รู้อย่าที่ก่อนเพราะมันเอาเข้าไปเต็มที่มันเข้าใจของมันแล้วอย่างว่าน่ะปฏิกิจตามฏิ่ัติปนัสสกิตปัจจุบัติี่เราโอ้ติ น้ำมัตตายวิจิติจิตมัตตายปฏิวิจิมัตตายอันนี้คือตัวจะยหาตจิตนั้ตอดีตจิตลืมเยอะทันพูดเร็วๆนี่ก็ไมทันท่านชื่อว่าเอวังโคอย่างนี้แหละคือการพิจารณาสติปัฐานพิการณาปัจจนาสติปัฏฐานสัหลาสติปัฏฐานก็คือ หรือมันมันจักต่วรู้จริงๆเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติมันมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยเนะถ้ามันเป็นด้วยข้าวคาดหมายไม่ได้อมันเป็นด้วยหลักธรรมชาติมันเองก็ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการเวชนาจิตรมเหมือนกันหมดแต่แล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนแล้วมันในสฏิปทานทั้งสี่มันตรงนี้อันเด่นอานหนึ่งจันได้เช่นอย่างใจรังนี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นหนึ่งจันได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องหน้าตาใจรักนะ มันถนัดเรื่องอนัตตาพี่ประธานสีมันก็ถนัดจึงตรงจริตนั่นเพราะจิตนี้ตัวตัวดิ่งแต่มันฟาดตัวนี้อยู่ได้มันก็รอบไปหมดปิติปิตาปิติว่าปิติิตปิิปิาโห่ติตั้งศัตว์วะรู้ศัต่ว่าอ่าสฉโาะหน้าเบลังโค้ยปิติปิติเตยตันเวชีปิติอะ ด, ดูก่อนพิจางรณานีิราการพิจารณาจิตใจปัฒนาที่นิราหลังนี้ความหมายว่าท้องมาตามสูตรก็ได้แต่มันตัดเรงนี้มันก็ไม่ทันตรงพอดีลืมไม่ได้ลืมไปกระท่องไปตามสูตรมาเลยก็ได้เรามันทํานั้ไม่ํานานในเรื่องสูตรเรืงอะไรท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจา ก, ากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านเอามาไว้เงั้นที่เราประจําอเอามามันเป็นภาคความจํา มันไม่ใช่ความจริงมันมัจริงต้องปีนกับความจริงอยู่เสมอจำมาแล้วก็จำมาเพื่อปีนความจริงแต่พอเข้ามาปฏิบัติพอมันเป็นจริงแล้วมันยอมรับทันทีกันเลยพอรู้เรื่องของปัญญาได้เต็มกําลังความสำเร็จของกับรู้เรื่องตอนมันเตือนเกอะกันแล้วเตือนเกาะเป็นเรืองนั่งหามลุงหามคํา เราคนจนโหอย่าง <c oughs> ทุวันนี้ไม่ได้นั่งกตายเลยแล้วคนรวยมันได้เห็นไหกํากลังของจิตนี้ต้องมีความมุ่งมัน่นมันเต็มเครื่องมันแล้วร่างกายกมันก็มีกําลังมันกำลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นนันก็เหมือนันก็ไปได้ทุกวันนี้ไม่มีอะไรกาลังของกายเรา ให้กินทุกวันทุกวันขนาดนี้มันก็ยังควายใจจะตาอยู่แล้วซุดทรงอยเยๆนี่จะเสริมพยายามเสริมแล้วมันก็ควายใจเรุดลงเนี่ยมันพิดทั้งตะก้อนตก้อ้กดมันลงนี่คือว่าอดบ้างอีกบ้างนั่นคือกดมันลงความมุ่งมั่นนั่นก็เต็มกําลังของมันแตวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มีมุ่งมั่นต่ออาต่อรําต่อแดนพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้นี้มันไม่มี ทำก็เพียงแค่เพียงสะบานน้าไม่ตายมันนัาาน่นแหละจะว่าจะว่าขี้เกียจ ด, ด้วยก็ไม่เห็นเนียตำหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นทั้งมันอย่างนั้นจะว่าแต่ก่อนเราันน้กหนาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปไ ป, ไปตำหนิเจ้าของเอาเงิ่อนต้นมาขัดตะเงินตายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกันพิจย้อนถึงเรื่องของเพียงวง่ามันวนจริงแต่ก็โฟมใจ ภูมิใจกับความจริงจังนี่สิขอ ง, ของที่เหลนมันก็กลัวนะจริงจังในกักนะทีไรมันต้องเหมาะทุกทีเอาเป็นเอาตายเขาว่างทีไรมันหมาะทุกทีเลยถ้าธรรมดานี่เลยอายุทะลอะ ก, ก็ไม่ได้บผิวจ่เหล่งก็ไม่พอทะเลาะใส่เราไม่ใส่ใยากเอาเอะไรฟาดมันลงไปอยเลยทําไม่ไ ท, ม ท, ทําทำทําแล้วเอาเลย เดี๋ตอนทุกขเวทนามันครอบอ ม, มันเป็นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะนั่งการเราเหมือนกับกองไฟที่เดียวก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยมนะันจะล้องหาพ่อหาแม่ให้มาช่วยหนระือว่าอะไร น, ะนี่เรียกว่ามันจ น, นกอกมันไม่มีทางออกเพราะออกออ ก, ออกไม่ได้นี่คาสัตว์หมุนติ้วเข้าไปแล้วเนี่ยบังคัำก็แล้นออกแม่ก็ตายสิ้นเปล่ า, ลาอดี๋ยวเหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนไม่มีคํากับคำสินนี้หนัาศาสนา ออกมาเพื่อความหนักศาสนายาอยู่เป็นโมคฆะพิสูจน์เลยให้ตายเสดีกว่านั้นอาตายแล้วคําสั่งของจริงเอาไม่ตายให้โลห์นั่นคำสั่ตั้งเหมือนกับเอาน้ําจุกก้นเข้าไปเอาไปทำไมมันถอยมาแล้วมันถุงน้ำํำผุ่งนายโอพีนางั้นวันไหนได้อศัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาลูกน้องข้ามาไม่ทราบสี่ค น, นมันต้อโอ้โหมันต้องสุดกว่าคืนนะ เราไม่ใช่ติดๆกันนะอย่างเด็วก็เล่นสองคืนเอาทีหนึ่งเล่นสามคืนมั่งเล่นหกเจ็ดคืนมั่งถ้าวัานไหนฝนมีฝนตกคร่ำด้วยเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะดีนะฝนตกคร่ำยิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลืมเลยแล้ ว, ลวนั่นะ่ะช่วยคาดกันได้ดีนะคือความร้อนนี่มันมันทำให้ร่างกาย เป็นทุกข์มากนะเคยนั่งเวลาร้อนั่ใหม่เป็นทุกข์มากนั่งเวลาเย็นเย็นบริเวณฝนทำนี่พิจารณาที่มันจับติดปั้มติดปั้มเหมือนกับคิมปากคมคมเนี่ยพอหนี่ยปั้มติดปั้มติดปั้มการพิจารณามันติดปั้มติดปั้มนี่ไม่นานนะมันทุ่งเลยยังไม่ทันอะไรแล้วกับพุ่งเลย สำคัญที่ตรงมันตนกรอบน่แมมันหมุนจริงๆนะสติปัญญามันไม่ถอยเลยไม่มันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกข์ทนทุกอยเฉยๆมันไม่ยอมเลยเพราะไม่ใช่ทางก็ทราบแล้วบอกไปแล้วอยู่แล้วมันต้องหมุนทมันต้อมันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างกระจางกระจางออกไปชัดชัดชัดลงไปก็ทุ่งไปเลยมันถึงทำให้คิดถึงเรื่อง ถ้าโสนะที่ว่าประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิวปทาที่ได้ดําเนินมาว่าการที่ท่านเดินมีควมจะไม่ต้องฝ่าเท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความบังคับท่านเหมือนอย่างเราทั้งหลาบังคับให้เดินไปสองเดินมีความจนฝ่าเท้าแตกท่านเดินมีความฝ่าเท้าแตกคือพระความเพียรกล้ามันทําให้เพลินตลอดความเพียร จนลื ม, ลล ม, เ, ล ม, เ, ลมเวลาลืมเหน็ดตืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเรานี่ยจนฝ่าเท้าแตกไม่รู้ตัวเพราจิตไม่ได้ออกไปอยู่โน่นมันดุนี่มันหมุนติ้วติ้วทำงานอย่างนี้ข้าวที่เดด ห, หลืออยู่้ายในมันคอรู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกอะจจเราัเป็นต่เพียงออกร้อนฝ่าเท้าโอ้โหเหมือนถูกไฟล้นเนะี่ยฝ่าเท้าเวลามานันฝ่าเท้าหนึ่ง โ, โหออกร้อนออกร้อนวุ่น ลืมน้ําลืมท่าลืมอะไรอทั้งหมดไม่ได้สนใจกับอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ํเราโดโดสการน้ํามันจะตายนเนี่ยเดินน้ำเราสําลักกับกระกระกระตัวเวลาทางเพียรไม่เห็นไปมึนไปคิดกับอะไรเลยมันเทนินเมื่อทีททท่ท่านหลับ่าแต่ทานแต่ถ้าแต่พราะความเพลิดเพลินในความเพียรท่านเป็นขั้นความเพียรอัตนมัติผมแน่ใจอย่างนั้น ท่านปัญญาจะอธิบายตรงไหนให้หมูเพื่อนฟังได้อีกไหมมีไหม <c oughs> มีก็อธิบายก็เสร็จแล้วก็